มือมนุษย์ตอนที่สามเรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงไตรลักษณ์บทนี้จะกล่าวถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตรลักษณ์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 แปลว่าเป็นทุกมีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุกมองดูแล้วน่าสังเวชใจทําให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้ที่ไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆอนันตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตน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 ขอให้ทราบว่าลักษณะสามัญสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสั่งสอนอื่นๆในบรรดาคำสั่งสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบางทีก็กล่าวตรงๆบางทีก็พู ด, ด้ดยโวหารอย่างอื่นแต่ใจความมุ่งแสดงความจริง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 พุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นคำรวบยอดคือคำว่าสุญญาตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่างคือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่างจากสาระที่เราควรจะเข้าไปยึดถือด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่าตัวเราของเราการเพ่งพิจารณาดูให้เห็นว่า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 คำว่าว่างจากตัวตนคำเดียวก็เป็นการเพียงพอที่จะรวบเอาคำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตามาไว้ด้วยเสร็จเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีส่วนไหนยังยืนถาวรก็เรียกได้ว่าว่างเหมือนกันเมื่อเต็มไปด้วยลักษณะที่ดูแล้วน่าสังเวชใจก็แปลว่า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 ไม่หลงไหลพัวพันติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเองเอียงไปตามสิ่งยั่วยวนใจใดๆเขาย่อมมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอและไม่มีความทุกข์เลยที่ว่าไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นนี้เป็นสํานวนโวหารอยู่สักหน่อย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 มีบุตรภรยาเลือกสวนไร่นาจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเป็นต้นจะต้องมีความเป็นอย่างใด อ, อย่างหนึ่งอยู่เสมอแต่แล้วทำไมพุทธศาสนาจึงมาสอนให้เราพิจารณาในทางที่จะไม่เอาไม่เป็น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 การกระทำผลวิบากอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัตตะสงสารคำว่าวัตตะสงสารนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจไปว่าเป็นเรื่องการเวียนวนชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นแต่อย่างเดียวที่แท้จริงกว่านั้นเป็นเรื่องของการวนเวียน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 เป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัตะหรือวัตตะสงสารเพราะเป็นวงกลมที่เวียนวนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้คนเราต้องทนทุกทรมานก็เพราะติดอยู่ในวงกลมนี้เองถ้าใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่า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 ซึ่งเหมาะสมกับความอยากของเขาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในวัฏฏะสงสารนี้เต็มไปด้วยความทรมานอันใหญ่หลวงศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้เลยเราจึงต้องพึ่งตัวแทของพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียวทั้งหมดนี้ เราจะเห็นได้ว่าความทุกนั้นมาจากความอยากสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดความอยากไว้ในเรื่องอริยสัจข้อที่สองในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆโดยตรงความอยากมีอยู่สามอย่างอย่างแรกเรียกว่าการตัณหาอยากในสิ่งน่ารัก น่าพอใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ได้อย่างที่สองเรียกว่าภวะตัณหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นอย่างที่สามเรียกว่าวิภวะตัณหาคือความอยากไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้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 ตามส่วนของการกระทาได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้คงอยากต่อไปต้องมีความร้อนใจต่อไปอีกเรายังไม่เป็นอิสระจากความอยากยังต้องเป็นทาตของความอยากด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็มีความทุกข์ไปตามประษาคนชั่วคนดีอยากทำดี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 เพราะเหตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นภาระเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของมันนั่นเองเมื่อเราได้อะไรมาเราก็ต้องจัดการกับสิ่งนั้นให้มันคงอยู่กับเราให้เป็นไปตามใจเราหรือมีประโยชน์แก่เราแต่แล้วสิ่งนั้นๆตามปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 อีกคนหนึ่งกินด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติปัญญาการกินจะต้องผิดกันกริยาอาการที่กินและความรู้สึกในขณะ ก, กินก็จะต้องผิดกันและในที่สุดผลอันเกิดจากการกินนั้นก็จะต้องผิดกันเราต้องทำความเข้าใจกันในข้อที่ว่า แม้จะไม่ต้องมีตันหาหรือความอยากในรสอร่อยคนเราก็กินอาหารได้พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสตันหาเลย mm. ก็ยังทำอะไรอะไรได้เป็นอะไรอะไรได้ยังทำงานมากกว่าพวกเราที่ทำด้วยอานาจของกิเลสตันหาท่านทำด้วยอานาจของอะไร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 มาจนถึงพวกเราได้และทั้งได้ทำประโยชน์อื่นๆอีกมากมายร่างกายและจิตใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาก็สแสวงหาและบริโภคอาหารได้ด้วยปัญญาไม่สแสวงและบริโภคด้วยกิเลสตัณหาเหมือนแต่ก่อนเมื่อเราหวังจะเป็นผู้พ้นทุกข์ตามรอยบาทของพระพุทธเจ้า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 ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำและทำให้ดีที่สุดด้วยความเยือกเย็นเท่าที่สติปัญญาจะอานวยให้ถ้าทำไปด้วยตัณหามันจะร้อนใจเมื่อกำลังทำและร้อนใจเมื่อทำเสร็จแล้วแต่ถ้าทำด้วยอํานาจของปัญญาควบคุมอยู่จะไม่ร้อนใจเลย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 เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกที่เป็นตันหาไปยึดถือในสิ่งนั้นจนถึงกับหนักอกหนั ก, นกใจแผดเผาหัวใจกฎหมายยังคุ้มครองที่ดินผืนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นั่นเองเราไม่ต้องทุกร้อนวิตกกังวลมันก็ไม่หลุดมือหายไปไหนแม้ว่าจะมีใครมาแย่งชิง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 เราจะมีกิเลสตัณหาหรือไม่มีก็ตามมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจคิดเสียดังนี้เราก็ไม่ต้องทุกร้อนอะไรแม้การเป็นก็เหมือนกันไม่ต้องไปยึดถือในการได้เป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าโดยที่แท้แล้ว ไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยล้วนแต่นำมาซึ่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นอุบายง่ายๆที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งเรียกว่าวิปัสนาหรือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงก็คือพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นหรือไม่มีการเป็นอะไรที่น่าสนุกเลย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 หรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวของความพ้นทุกย่อมมีอยู่อย่างนี้วันนี้ยังไม่ปรารถนาวันหน้าก็จะต้องปรารถนาเพราะว่าเมื่อได้ละความชั่วเสร็จแล้วความดีก็ได้ทาเต็มเปี่ยมแต่จิตยังหม่นหมองด้วยตัญหาชั้นประนีตบางประการอยู่และก็ไม่รู้จักจะดับด้วยวิธีใดนอกจากพยายามอยู่เหนืออานาจตันหา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 จึงไม่มีความทุกข์เลยเรียนธรรมะอย่าตะกละให้เกินเหตุจะเป็นเปรตหิวปราดเกินคาดหวังอย่าเรียนอย่างปรักยามัวบ้าดังเรียนกระทั่ง ตายเปล่าไม่เข้ารอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเรียนเพื่อละทุกใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลื่อนลอยมองให้เห็นตามเป็นจริงต้องตั้งต้นการเรียนที่หูตา สัมผัสแล้วเกิดเวทนาตันหาวิ่งขึ้นมาอยากเกิดผู้อยากเป็นปากปลิงเรียนรู้ยิงตันหาดับนักว่าพอ